น่อยนะพี่สุเวพี่ถอนหายใจทำไมอ่ะมันจะไปต้องทำแผลให้ค่าลอกแผลนิดแผลหน่อยสีวเปล่าเปล่าแผลนิดนหน่อยหน่อยแต่ก็ต้องดูแลจ้ะไม่งั้นเน่เดี๋ยวจะเป็นบาดทะยักมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะข้าไม่เป็นอะไรง่ายๆหรือนะเชื่อบุเกหนะบุเกหหวังดีกับพี่สุเวนะเออขาเข้าใจพี่สุเวจ้าทำไมนี่ถ้าคนทาแผลให้พี่อ่ะเป็นศีลา พี่จะถอนหายใจเฮือกๆด้วยความรำคาญอย่างนี้หรือเปล่าอ่บุเกะทำไมต้องพาดพิงไปถึงคนอื่นเขาด้วยอ่ะอ๋อพูดถึงศีลาไม่ได้เลยหรือไงพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะก่อนแล้วมันยังไงอ่ะข้าไม่ชอบที่เองพูดเองพูดมันน่าอิจฉาเขาข้าไม่ชอบผู้หญิงที่ทําตัวเป็นดังมานร้ายอิจฉาริษยาข้าไม่ชอบมันเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจทําไมจะไม่เข้าใจล่ะ พี่อ่ะตะโกนกรอกหมูฉันขนาดเนี้อ่ะไม่เข้าใจก็ยิง่งจะโง่อยิ่งกว่าควายแล้วละ่ะเอ้ยถ้เอ็งเข้าใจข้านะคราวหน้าคราวหลังก็จะพูดอย่างนี้อีกเด็ดขาดเอ็งลืมแล้วหรือไงฮะนางกเก้ฉันลืมอะไรไม่ทราบเอ็งลืมแล้วเหรอว่าศรราีลาเขาเป็นเพื่อนซีของเอ็งเปล่าฉันไม่เคยลืมเลยก็ใ น, นเมื่อเอ็งยืนยันว่าเอ็งไม่ลืมเพื่อนสนิทของเอ็งเอ็งก็ไม่ควรทําตัวอิฉาเพื่อน อีตอนที่อยู่รับหลังเขาเข้าใจไหมเออฉันจะไม่ทําอีกพอใจไหมล่ะก็ดีแนละ้วข้าจะคอยดูว่าเองจะทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าว่าแต่พี่ซูเวยแหละทําไมพี่แอบรักศรีลาเข้ามากขนาดเนี้แล้วศรีลาละ่ะเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่ซูเวยกาลังแอบรักเขาอยู่นะความรักของข้าดำบริสุทธิ์ผุดพองรักมีแต่ให้ดางพระเจ้ารักชาวโลกทุกคน ไม่ว่าชาวโลกคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามพระองค์ไม่เคยรังเกียจไม่เคยแบ่งชั้นวรรณะพระเจ้ายังรักและให้พรทุกคนให้ทุกคนได้ดีครองชีวิตอยู่ในคุณงามความดีตลอดไปพระเจ้าท่านทำได้แน่นอนน่ะแต่พี่สูเวละ่ะข้าทำไมอ่ะพี่สูเวคิดว่าตัวเองจะทำได้อย่างพระเจ้าหรือไงข้ารู้ตัวดี ว่าตัวข้าเองอะทําไม่ได้ถึงเสี้ยวเดียวของพระเจ้าแต่ข้าก็พยายามทําดีเจริญรอยตามความดีที่พระงองค์ทรงสอนที่ข้ารักและจริงใจไม่ไม่อิจฉาริษยามีแต่ให้ไม่เคยหวังได้อะไรจากคนที่เรารักนั่นแหละคือความดีที่พระเจ้าทรงสอนเราซึ่งเองก็คนทําได้ด้วยไม่ใช่ทําตัวหน้าไหว้หลังหรอแบบเนี้ย มันไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระเจ้านะี่ซูเวทำไมที่จะด่าฉันอีกนานไหมหไม่ได้ด่าก็เตือนสติเอง เองต้องไม่ลืมซือว่าเองเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยเองมีพระคัมภี์ไปอ่านหรือเปล่าถึงมีเจ้ก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วจะเข้าใจได้ไงล่ะเพราะเองไม่เข้าใจไงสิเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้มันได้เข้าใจไหมก็บอกแล้วไงว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกอะ่ะไม่รู้หนังสือก็อ่านออกเขียนได้นว่วะใครเขาจะสอนนะ่ะใครสอนก็ได้เองดูอย่างศีราสิ ศิลาเขาก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่เขาก็ฝึกฝนตัวเองจนเขาสามารถอ่านออกเขียนได้เองเป็นเพื่อนซี้ของเขาทําไมอ่ะเองไม่เยิ่งอย่างเขาบ้างเล่าสิ่งดีๆในตัวเพื่อนน่นะเองเคยอยากทําบ้างไหมฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีต้องสอนฉันหรอกพี่สุเวงเองก็เป็นซีอย่างนี้แหละเออเอเอ อ, เ อ, อฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละใครจะทําไมฉันน่ะใครจะไปทำอะไรเองที่พูดมันเนี่ยผู้หวังดี ข้ากลัวว่าชีวิตของเองจะไม่มีผู้ชายหน้าไหนในหมู่เราเนี่ยจะยอมผิดผีกับเองนะพี่สุเว <c oughs> ในสายตาพี่ <c oughs> ฉันแย่ขนาดนี้เชีาวหรอเออดีงั้นพี่สุเวก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน น, น, นึกหรือว่าขายากยุ่งกับเองนะะักเะอเออพี่จะไปไหนก็ไปเลยไปสิฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่สุเวแล้วไปสิข้าไปก็ได้เออนี่แต่ถึงยังไงก็อยากขอบใจเองนะ ขอบใจอะไรฉันไม่ทราบก็ขอบใจเอง ท, ทําแผลให้ข้าไงเองยังไงก็ยังมีความดีในตัวบ้างหรือว่าบูเกเพียงแต่ว่าข้ายากให้เองรู้จักรักตัวเองจริงๆรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงให้มากกว่านี้เถ้ย Beautiful. ไม่ต้องเลยพี่ซูเวพี่ไม่ต้องมาตบหัวและรูปหลังฉันหน่อยเลยแล้วกันสิไหนพูดแบบนี้เร <c oughs> <c oughs> ่าก็ไม่จริงอ่ะโธเอ้ยแมคนอย่างเองเนี่ยนะชมไม่ได้เลย <c oughs> ไม่พูดด้วยแล้ว พูดไปก็ชวนทะเลาะไปดีกว่าอ๋อฉันจะจะร้งองอ้าวอ้าวอ้าวเออคอยดูพี่สุเวที่จะต้องทำให้พี่หันมารักฉันแล้วก็มาซบตักฉันขอใหฉันแต่งงานให้ได้เลยคอยดูคอยดู ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ฉันยังไม่ยอมไปสักทีมีหนึ่งแหตุผลที่ทําให้ฉันยังคงทนได้เองดีฉันเคยดีบอกเธอเคยดีย้าเธอแต่ว่ามันคงไม่เคยดังถึงใจเธอสักที เธอมีใครหรือเปล่าฉันมีเธอได้ไหมเธอมใจหรือเปล่าฉันมีใจให้เธอนั้น One. k i t คุณกําลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนําเสนอโดย Nation Entertainment. เองอ่านหนังสืออะไรวะฮะไอ้มูซออะเออผมว่าไง <c oughs> ก็ถาำว่าเอกลักษณ์น่าอ่านหนังสืออะไรข้ายังไม่เคยเห็นเองมุ่งมั่นขนาดนี้มาก่อนเลยนิวะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเองได้ น, นาอ่านหนังสืออย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างงี้เออก็ไม่มีอะไรหรอกพ่อไม่มีอะไร ด, ดิดิก็นี่เองทําตัวผิดปกติไปหน่อยนิววะเออก็ก็คือว่าไป<อ>เาขาดูหน่อยซิ เล่าโทพ่อดึงหนังสือไปทําไมอ่ะอย่านะครับพ่ออย่าอา่านอือไอ้มูอมซอเนี่เองอ่านอะไรก็เองวะฮะเออพ่อเห็นเป็นอะไรครับคัพีนี่นี่นีเอ็งโดนพวกฝรั่งมั่งฆ่ามาลาสมองมาหร่องไงฮะโทรเปล่า้วพ่อไม่มีใครมาล้างสมองผมได้หรอกแล้วก็ไม่มีฝรั่งหน้าไหนมาพูดเรื่องพระเจ้ากับผมเลยครับถ้าอย่างงั้นเอ็งได้หนังสือคำพีเรเล่มนี้มาจากไหนฮะ เออคือคือว่าผมว่าไงเออแต่ยังไม่ตอบใคาจะฉีกคมภีเรมนี้ทิ้งเดี๋ยวนี้เอ้ย อ, อย่าอย่าอย่านะพ่ออย่าอย่า <c oughs> ผมหวแล้วพ่ออย่าทำลายคาภีนะครับออ ไ, ไอ้ออมุนอนี่เอ็งเปอะไรไปฮะเออผมไหนบอกมาที่เอ็งได้คาภีเรมนี้มาจากใครเออศิราครับลูกสาพ่อเท่านั้นแหละครับพ่อ ที่เองรับคำเพีพ้ของนางสีลามาอ่านเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยเพราะว่าเองทำวิจัยหลดไว้ที่นางสีลาและช่อยไหมฮะครับพ่อไอ้มูโซนี่เองพ่อจะอ<ม>ห้ามผม้วครับผมชอบสีลาจริงๆนะครับพ่อผมอยากได้เธอมาเป็นเมีย พ่อช่วยไปสู่ขอเธอกับพ่อเท่าได้ไหมครับไม่ได้พ่อข้าบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้โอททำไมล่ะพ่อพ่อกัดหวันหัวใจผมทำไมครับนางสีมันไม่ใช่เนื้อคู่ของเองพ่อเอาอะไรมาวัดว่าไม่ใช่เนื้อคู่ของผมหรือว่าไม่ใช่อ่ะพราะนางสีล่ะมันเป็นศัตรูของข้ายังไงล่ะไอ้มูสโซพ่อมันยังไงกันล่ะครับพ่อศัตรูอะไรครับพ่อ ผมงงไปหมดแล้วเอ็ไม่ต้องรู้หรอวว่ามันเป็นศัตรูกับข้ า, าเองไงแต่ข้าขอเตือนให้เอ็รู้ไว้ว่าไอพอเท่าหนนเป็นศัตรูคู่อาฆาตของขา้าเอ็ไม่มีวันจะได้แต่งงานกับนางศีลาเด็ดขาดคนอย่าข้าจะไม่มีวันรับนางศีรามาเป็นสภัายอย่างเด็ดขาดเว้ยโถ่พ่อเอม็มเราอดครุนต่อะไ้<ถ>มูอแต่ว่าผมเอม็มเอพูดแล้วไปได้ ฟังให้ดีดได้มูซ่าแต่ยังคิดอย่านักสีลานั่นมาทำมีแล้วก็เอ็งข้ามศพข้าไปก่อดกันลวกันไอ้มูซ่าพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะคะพ่อข้าพูดจริงๆโธ่พ่องง้นไปเอ็งไปกันข้าไปไหนพ่อ ปล้นนะสิวยไม่ครับพ่อไม่อะไรนี่เอ็งจะบอกนะว่าไอ้คำพีเรื่มนี้มันล้างสมองเอ็งไปแล้วผมสัญญากับพระเจ้าไว้แล้วครับพ่อผมจะไม่ปล้นใครอีกแล้วผมจะหมั่นทำความดีผมมั่นใจว่าความดีจะทำให้ผมพบกับสิ่งดีๆและจะต้องได้แต่งงานกับศรีราครับพ่ออ้มูซอเอง็งเอง็งไอ้ไอกเอ้เอ อพี่สุเวอเอาอะไรมาให้ล่ะนั่นน่ะเห็ดป่าจ้าโอ้โหดูสีเยอะแยะเลยพี่เข้าป่าไปเก็บเห็ดมาหรือไงนี่เลยจ้าจะได้ทําเห็ดปายพ่อกับพี่สุเวกินเมื่อเย็นเนี้ขอบใจมากนะจ้าเออถ้าไม่ได้ศีลานะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ยังไงหมายความว่ายัางไงพี่สุเวอฉันไม่เข้าใจที่พี่พูดเลยอ่ะก็ที่มีอยู่มีกินทุกวันเนี้เพราะสีลาทําให้กินทั้งนั้น ถ้าขาดศิลาไปคนหนึ่งพี่ก็คงอดตายศิลาเปนจริงหรือเปล่าคะพี่พูดอะไรผิดเหรอศิลาถูดไม่หัวเราะอย่างนั้นนะพี่สุเวจ๊ะพ่อเป็นคนดูแลพี่สุเวถ้าไม่มีฉันพ่อก็ยังดูแลพี่อยู่และพี่เองก็ทำเองได้เหมือนกันมีจริงหรอกที่พี่พูดนะจริงๆนะแม่พี่สุเวก็พูดไปเรื่อยเชียรพี่พูดจริงใคยดูนะพี่สุเวเคยดูอะไรเหรออีกหน่อย พีสุเวเจอผู้หญิงที่ถูกตาต้องใจตัดสินใจแต่งงานด้วยกันถึงตอนนั้นน่ะพิสุเวย์ก็ลืมรถมือของฉันไปแล้วล่ะยังไงแม่บ้านของพี่สุเวย์เนี่ยก็ต้องเยี่ยมกับใครๆอยู่แล้วฉันพูดถูกไหมจ๊ะพี่ไม่มีใครแน่นอนนอกจากนอกจากใครเลยจ๊ะพี่สุเว์ก็นอกจากสุเวเอ้ยลงมาช่วยถาดทําทเหล้าก่อนเร็วจ้าจาจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละ รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัตหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนอสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0หหรือส่งที่ SMS 082-033-5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการละครวิทยุอย่างไม่สายเกินไปท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สวัสดีครับ